ถึงกำลังจิตของท่านที่ดับพิษของงูร้ายลงได้ท่านเป็นพระที่สันโดษมากกุฏิไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟสักดวงก็ไม่มีดื่มน้ำฝนจากภาชนะที่ทำจากกลามะาพร้าวขัดที่นอนก็มีเพียงจีวรเก่าปูบางๆภายในกุฏิมีโลงศพและโครงกระดูกเพื่อไว้พิจารณาธรรมและเจริญกรรมฐาน ยินดีสนทนาธรรมกับญาติโยมเป็นเวลาสั้นๆเฉพาะหลังทําวัดเช้าเย็นเท่านั้นไม่รับกิจนิมนต์แต่จะมุ่งเน้นการปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่ในกุฏิท่านมุ่งเน้นการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างมากกว่าเทศให้ฟังเมื่อชาวบ้านนิยมไปขอพรท่านจึงเขียนโอวาทไว้ว่าทาดีดีกว่าขอพรท่านสละทุกอย่าง